ทำอย่างไรไม่หลงตัวจากการเผยแผ่ธรรมะถามอยากทราบว่าผู้เผยแผ่ธรรมะที่ประสบความสำเร็จได้รับคำแซ่ซองสรรเสริญมากๆจะต้องทำใจอย่างไรไม่ให้หลงตัวเองว่าเป็นผู้วิเศษตอบถ้าคุณเป็นของจริงทางธรรม คุณจะแม่นยำในข้อธรรมะสำคัญของพระพุทธเจ้าคือธรรมะของพระองค์นี้เป็นไปเพื่อลดความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่เป็นไปเพื่อเพิ่มความโลภความโกรธและความหลงความหลงตัวก็เป็นความหลงชนิดหนึ่งหากคุณมีสติเตือนตัวเองได้เป็นขณะขณะว่าตอนนี้คิดเหิมเกริมแล้วนะตอนนี้คิดว่าตัวเองเก่งแล้วนะ ตอนนี้คิดว่าตัวยิ่งใหญ่กว่าใครแล้วนะสติที่เกิดขึ้นท่อทันความหลงทุกครั้งนั่นเองจะกดหัวความหลงให้หดตัวลงไปเรื่อยๆยิ่งมีชีวิตขึ้นนานเท่าไหร่อัตตาของคุณก็จะยิ่งเล็กลงเท่านั้นตลอดจนเห็นตนเองเสมอกับคนอื่นในฐานะที่เกิดมาด้วยความไม่รู้ดีกว่าคนอื่นหน่อยคือมีสิทธิ์ตายไปอย่างรู้ รู้ว่าการตื่นจากความหลงเท่านั้นคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์พ้นพยันตรายได้อย่างเด็ดขาดสรุปคือจะเป็นคนธรรมดาหรือผู้เผยแผ่พระสัตว์ธรรมก็เสมอกันตรงที่หากไม่แม่นในธรรมะไม่ใช่ของจริงทางธรรมะก็จะไม่มีแก่ใจเตือนสติตนเองเมื่อไม่เตือนสติตนเองความหลงตัวก็ได้ช่องเกิดทีละนิดทีละหน่อย วันละเล็กวันละน้อยนานปีเข้าก็กลายเป็นคนธรรมดาที่หลงตัวเหมือนเหมือนผู้อื่นและเมื่อหลงตัวเหมือนเหมือนผู้อื่นก็ย่อมตกอยู่ในวังวนทุกข์วังวนแห่งความไม่รู้เหมือนเหมือนเคยนั่นเองครับ